ซับที่อยู่ในอากาศ96ที่ชื่อว่าซับที่อยู่ในอากาศได้แก่ซับที่ไปในอากาศคือนกยูงนกขับแครนกรนกระทานกกระจาบผ้าสาดกผ้าโพกหรือเงินทองที่ขาดหลุดตกลงภิสษุมีทยจิตคิดจะลักรับที่อยู่ในอากาศหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัตทุกกฎหยุดการไป ของทรัพย์ต้องอบัตทุกกฎจับต้องต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัดปาราชิก